เราเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็รู้ผิดตาก็รู้เลือด้ายแหล่หัวก็รู้ตาเราหายใจเข้าหายใจออกก็รู้เกลืนน้ำลายก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้อันนี้เรียกว่าเห็นธรรมไม่ต้องเห็นที่นอกตัวถ้าเห็นนอกตัวลงไปนั้น มันเป็นมายาของจิตใจมันลอกลวงเรามันโกหกเราศึกษากันลงไปที่ตรงนี้เมื่อศึกษาเข้ามาที่ตรงนี้มันก็รู้จริงเห็นจริงเห็นเรานั่งเห็นเรายืยนเห็นเราเดินเห็นเรานอนอันนี้แหละคือธรรมชาติและเกิมีหายใจเข้าหายใจออก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 ถ้าหากยังไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจความคิดความคิดมันกระซายส่งออกไปข้างนอกเมื่อมันออกไปข้างนอกมันก็ไปทรงจำเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดดีใจเสียใจผลมันออกมาก็ได้หลับฮุบกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคประสาทกันก็มีเป็นจานวนมาก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 มองไม่เห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเรียกว่าปัญญาลอกรู้เมื่อเรามีปัญญาลอกรู้แล้วมันนึกมันคิดเราก็เห็นเราก็รู้ความเห็นจิตนึกคิดนั่นเป็นมัชความเห็นจิตนึกคิดนั่นเป็นมักมัชจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับ ุกนี่เมื่อเรามักเราต้องดูลงไปที่ตรงนี้และกับปฏิบัติไปที่ตรงนี้ผลมันออกมาเรียกว่ามีโลดพ้นไปจากทุกพ้นไปจากการปุงแตกพ้นไปจากการยึดถือพ้นไปจากการมีโทสะโมหะโลภพ้พนไปจากการยึดมั่นถือมั่นพ้นไปจากสิ่งทางปวงนั่นท่านเลยว่านี่โลดแปลวความพ้นไป คนไปจากทุกท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นผู้ที่มีปัญญาก็พิี่จรณาเห็นแจ้งาตามความเป็นจริงแล้วก็เอาไปใช้กับการกับงานได้ทุกวิธีการงานก็เป็นธรรมตัวปฏิบัติลงไปก็เป็นธรรมธรรมะนั้นจริงเอาไปใช้กับการกับงานได้ทุกวิธี ดังนั้นคนใดรู้ทำเห็นทำเข้าใจทำแล้วจึงทําการทํางานไป ต, ตามหน้าที่ไม่มีความเกียดค้านไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าที่ว่าให้เราจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาจเจริญแปลว่าทําให้มากจเจริญแปลว่าทําให้มากทํามากมันก็จเจริญขึ้นมีขึ้นมากขึ้น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 เรียกว่ามันสมบูรณ์นี่ว่าเจริญเป็นอย่างนั้นบนี้เมื่อเห็นจิตใจมันนึกมันคิดก็เห็นจิตใจมันนึกมันคิดก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดมันก็เข้าไปสัมผัสแน่แน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นมะจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงอมวมบทุก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 ขุดินลงแล้วเอาไปฝังลงดินแล้วเอาดินกบหน้าผมหน้ามันก็ไม่ลองว่าหายใจฟืดเออนอนยากเด้อมันก็ไม่พูดได้เอาไปขึ้นกองไฟเอาไปโยนใส่กองไฟไฟไหมมันก็ว่าร้อนเจ็บมันก็ไม่พูดได้ไม่คุยได้เพราะมันไม่มีผมรู้สึกมันไม่เก็บมันไม่ปวดมันไม่มีชีวิตมันไม่มีจิตมีใจ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 ให้มันเข้าใจแต่เมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่นี้ยังมีชีวิตอยู่นี้เดินดินจินข้าวอยู่ที่นี้ไปไหนมาไหนอยู่ที่นี้นี่แหละคือเป็นการปฏิบัติธรรมเรามาเป็นเนนเป็นพระหรือเป็นนักปฏิบัติต้องแก้ให้ตัวเองไม่ต้องจะไปเดินจงกรมหรือเป็นนั่งสมาธิดูหนังสือได้แล้วเาไปพูด อันนั้นเลี่ยอีกเลื่องเราต้องแก้ไขตัวเองอ่ะตัวเองเนี่ยตะกอนเคยทําอย่างนี้แบบนี้เมื่อมารู้สัตว์ซึ่งถึงจิตใจแล้วแล้วสิ่งที่เราทามานั้นเนี่ยเรางดเว้นได้หรือเราเลิกไดเมื่อเราเป็นภาตเป็นเลนอยู่ที่นี่สิ่งที่มันเลิกได้โดยธรรมชาติคื อ, อกฎระเบียบขี่ไหนถ้าใครทําผิด กฎอันนี้นิระเบียบอันนี้วินัยอันนี้จะอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่จะเป็นเมนเป็นพระไม่ได้อันนั้นเราไม่ต้องเป็นเลิศลากนเพราะมันมีกฎตายตัวอยู่แล้วถ้าเราบวชเป็นพระเป็นเมนนั่นนะทําอย่างนั้นมันไม่ได้เข้าสังคมไม่ได้ตัวอย่างเช่นเที่ยวกันคืนดึงสุลาเล่นกันทํา น, นั้นอันนี้วินัยเขาฝุดไว้แล้วแต่เมื่อเป็นฆราวาส เราว่ามันไม่ผิดกฎหมายเนี่ยที่เราต้องการจะทำอันนั้นนี่ว่าเรารู้แล้วก็ทําไปตามพานุที่เราปฏิบัติก็ต้องเลิกละได้จริงๆงยังเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนเดึงสุระแม่บุหรี่ก็เลิกได้อันนี้นี่ว่าเราฝึกหกสาก็ต้องเลิอกอย่างนั้นเราเจ้าปฏิบัติเห็ว่าสิ่งนี้มันให้โทษจริงๆ เราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จ้องเลิกลนะจากสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้เรียกว่าเราปฏิบัติได้เราจ้อทดลองว่าเราจ้องปฏิบัติให้มันได้เราจะไปอยู่ที่ไหนสังคมใดเราก็ต้องเลิกลนะจากสิ่งเหล่านี้จริงๆแม้กระทั่งการนั่งการนอนการหลักการตื่นทุกวิธีทีเดียวอันนี้เรียกาเราปฏิบัติจ้อปฏิบัติอย่างนั้นจ้องทำให้ได้อย่างนั้น ไม่เสียวมาปฏิบัติและไม่ได้อย่างนั้นเราก็เราว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติมาแล้วอันนั้นป็นเป็นการคัดคิดเทานั้นสมมติว่าเราอยู่ที่นี่เรานอนตื่นขึ้นมาในระยะตอยเช้าตีสี่สามสิบเรามาทำวัดเช้าถ้าออกจากที่นี่ไปแล้วตีสี่สามสิบเราก็ยังตื่นไม่ได้ลุกไม่ได้อันนั้นเพียงว่ามาอยู่ที่นี่ กฎระเบียบวินัยวัดนี้ต้องบังคับให้ทำอย่างนั้นเราก็ต้องทาได้ถ้าออกจากที่ไปไดาทำไม่ได้อันนั้นสวดยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเพราะว่าอาศัยอำนาจผอมคูให้เราทำอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติจริงๆถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆเราก็อยู่ที่ไหนสำนักใดวัดไหนก็ตามหรือเราสุกออกไปเป็นครวาวาพวกรองเรือน หรือทําธุระอะไรกร็ตามเราต้องทําอย่างนั้นอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมะต้องปฏิบัติที่ตัวเราให้เป็นนิสัยเมื่อเป็นนิสัยอย่างนี้เนี่ยเราก็พูดได้เพราะเราทําอย่างนี้เราสอนอย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราสอนอย่างนี้เราต้องไปปฏิบัติอย่างนั้นอันนั้นมันผิดอุดมการผิดคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เราทํามาตัง้งแต่ตัวเล็กๆ แต่เราไม่รู้เลยไม่เข้าใจจริงๆล้วก็ทำอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจว่าอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องเมื่อคนอื่นมาพูดให้มันแน่นยึดขึ้นมาภายในจิตใจมันเกิดไม่พอใจขึ้นมาทันทีเนี่ยมันเข้าใจเราเราทําเป็นแล้วเราก็ไปยึดผู้ d o การอันนั้นแหละอันนั้นแหละซื่งว่าเรายึดมั่นถือมั่นในธุระอันนั้นเราไม่ยอมปล่อยวางอันนั้นเมือ่อเราติดอยู่จริงนั้นเราจะไปได้ไหมเหมือนกับที่เราเอาเคื่องมาพูกแข้งเราไว้ติดต้นไม้ไว้ วเราเดินไปไหนมันได้มันไม่ได้เนี่ยเสื้อมันติดเราไว้แล้วเนี่ยเราจะไปที่ไหนได้ไม่ถอนออกจากสิ่งนั้นมันก็ไปไม่ได้อันนี้เสืเวนเราติดแต่เราไม่รู้ไม่รู้มันก็ติดสินั่นเป็นอย่า ง, งนั้นวิธีที่ผมนํามาเราเนี่ผมยืนยันรับรองได้ที่แรกมันคิดนอกปัจจัยคนเราไม่เคยดูที่จุดนี้คนเราวันแต่ละวันนี่มันคิดตั้งหลาย เรื่องทันเรื่องหมื่นเรื่องแสนเรื่องอะไรเราไม่เคยรู้เลยมันคิดขึ้นมาเรารู้เรารู้ก็ทําไปตามผมคิดถ้าพูดตามอุดมสารที่ผมคิดในผมพูดผมรู้จักอย่างนี้ความรู้อันนั้นเป็นความรู้ที่แกทุกข์ไม่ไดเป็นความรู้ตระกูลของอวิชชาดังนั้นอวิชชานั้นจึงละมัดนแต่กันว่าแตลว่าคนไม่รู้แต่ความจริงความคิดอันนั้นเป็นความคิดมาจากอาวิชชาแก้ทุกไปได้ ผมเข้าใจอย่างนี้เรื่อผมก็กเลยไม่ได้พูดบอกอวิชาติว่าผมไม่รู้ผมไม่ได้พูดนีอันนี้แต่สามตัวหนังเสืออวิชาติว่าผมไม่รู้พูดไปอย่างนี้คุณ ม, มาเข้าใจอวิชาติว่าผมรูกแก้ทุกไม่ได้คุณคิดประเภทนี้มันแก้ทุกไม่ได้ห้าสิบเรื่องเราก็ยังได้ตัวเท่าตัวยังไม่มีกําไรวันนี้มันคิดมารอยเรื่องเราตุกได้หกสิบเรามีกําไรสิบหนึ่งมันคาบทุนมาให้เราแลว้วแบบนี้ย เนี่ยการทำทำอย่างนี้ ine, มันมีกำไรซิบิทมันนี่มันคิดมาลอยเรื่องเราได้แปดสิบมันเหลืออยู่ยี่สิบเท้ามันคิดขึ้นมาลอยเรื่องเราได้เก้าสิบมันคิดขึ้นมาลอยเรื่องเราได้ทุกทีทุกทีโอเ่วะลู่เทา้าลู่ทันลู่กันลู่แกล่ลู่จักรอสนามันได้อันนี้เป็นคำพูดแต่ว่าตอนรู้ต้องรู้อย่างนี้จริงๆผมเข้าใจอย่างนั้นจริงมันคิดขึ้นมาปุ๊บลู่ทันทีเหมือนแมวกับหนูเนี่ยพอดีหนูออกมาแม่มันจะพุกทันที ก็รามันเป็นของตรงกันข้ามเนี่ยเนี่ผมเข้าใจอย่างนั้นโอมันเรื่องอย่างนี้เวทผมพูดเนี่ยมันน้อยที่สุดอันนี้แหละเป็นวิธีที่ตับทุกได้จริงๆรเรื่องนี้จริงๆผมรับรองได้ร้อยเปอร์เซ็นผมรับรองได้จริงๆถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้แหละให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซเนี่ยอ้าวถึงสามปีในผมเข้าใจว่าทุกประเภทนีน้ถึงมีร้อยเปอร์เซนอย่างน้อย อย่างน้อยนะมันจะทิ้งไป6กสิบเปอร์เซ็นจะเหลืออยู่ภายในส0บเปอร์เซ็นอย่างน้อยที่สุดนะผมพูดเนี่ยเ อ, เอา้าอย่างมากมันมีทุกร้อยเปอร์เซ็นมันจะมีเพียงยี่สิบเปอร์เซ็นมันจะทิ้งสลัดไปได้แปดสิบเปอร์เซ็นผมเข้าใจว่าทำจริงๆเนาะมันจะไม่มีรากุดมาเลยจริงๆเรื่องนี้อันนี้เป็นวิธีทำลายควมโขควมโลกวม่มหลงให้มีสติ รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้อันนี้เลยว่าคําพูดนั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่ให้วิธีการทำนั้น ท, ทําทางจิตใจเอาสติมาดูจิตใจไปไหนมาไหนทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรให้ดูอยู่ที่ตรงนี้แหละแต่อย่าไปบังคับมันเพียงทำเน้นเล่นมันคิดตัวแบบทิ้งไปทันทีอันนี้รับรองได้จริงจริงถ้พาพเจ้าสอนเรื่องนี้จริงๆ คำพูดอย่างอื่นนั้นมันมันเป็นคำพูดเรื่องความรู้บางที่อาจจะเป็นการผสมกับคำรู้ของครูบาอาจารย์ทั่วไปแต่พระพุทเจ้าสอนสอนเรื่องนี้จริงๆผมเขา้าใจอย่าง